ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฝังเท่าไรแต่ร่มโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องทุกขสัตว์ในที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับตันสูตรคือทุกนั้นส่วนหนึ่งก็เรียกว่าทุกขตาแปลความเป็นทุกข์คือเป็นเรื่องทั่วไปแก่ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายก็ในเรื่องคนใจรักแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของอริยสัตว์เพราทั้งที่เราก็สวดก็กล่าวกันอยู่เรื่อยๆจะบางครั้งบางคราวก็มีการไปตีความเอาตามลำพังตนเองซึ่งน่าจะมาทบทวนที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะว่า ที่ทรงอธิบายไว้แต่ละข้อนิชันชาติชรามรนเป็นต้นนี่หมายความว่าอย่างไรบางคนอธิบายถึงเรื่องของความเกิดถือความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนโน้นก็ถือว่าเป็นชาติแล้วก็นำไปสู่ความคิดเรื่องสวรรค์นในอกนรกอยู่ในใจแต่ว่าเมื่อเราดูที่บาลีพุทธ ว, ว จ, จะนะแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ประเด็นแรกที่ควรจะมองกรอบคือมาตรวัดความเป็นทุกข์ที่ท่านแสดงไว้ในดิกาธรรมจักรก็เรียกว่ากิจในอริยสัจทั้งสี่ประการคือหน้าที่หรืออาการที่ปรากฏให้เราเห็นประการแรกก็คือว่าเบียดเบียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยประการต่างๆเช <_ d ance> ่น <_ d ance> ว่าเกิดมาแล้วก็คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องมีการแปลผันไปอย่างเกิดแก่ตายและแต่ละอย่างนั้นก็เกิดขึ้นจากปัจจัยปุ่แต่งอย่างความเกิดเป็นชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นก็มาจากอวิชาสังขาร วิญญาณแล้วก็นามารูปก็จะเดินเ ต, ตัวตัวเต็มที่ก็มีอายตนะแล้วก็ออสัมผัสโลกก็มีผัสสะว่าในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่นั้นจะมีความราร้อนแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับนั้นก็คือลักษณะที่เป็นเครื่องกําหนดหมายโรยเห็นว่ามันเป็นทุกข์ ทินี่ชาติคือความเกิดนี่เป็นยังไงโดยตามปกติแล้วก็ได้แก่ความเกิดในกำเนิดทั้งสี่นั่นเองคือเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสกปรกเกิดโดยพูดขึ้นเรียวกว่ากำเนิดทั้งสี่วันบาลีพุทธวจนะที่ส่งอธิบายไว้เองบอกว่าแม้ความเกิดเป็นทุกข์แม้ความแก่เป็นทุกข์แม้ความตายเป็นทุกข์ก็ว่ามาด้ด้วย แล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งตั้งคําถามขึ้นมาแล้วก็ส่งตอบพระวิกษุทั้งหลายชาติความเกิดเป็นยังไงก็ส่งไขอธิบายเองว่าความเกิดความเกิดพร้อมความยังลงความเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏขึ้นแห่งขัน ควได้ยตนตาครบในบูสัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ อ, อันใดตุก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เ ร, รากล่าวว่าชาติคือความเกิดก็เป็นสมบูนณ์บาลีนิดหน่อยนะครับคือความเกิดนั้นก็เชลาผู้ชาเกิดในคันเช่นคนสัตว์บางแกมพวกอันตยาวก็เกิดในไข่เช่นเป็ดไก่ทั้งหลาย แล้วก็สังเสตชะก็เกิดโดยเชื้อไวรัสต่างๆสิงสกปรกต่างในแล้วโอปปาติกะเกิดโดยผุดขึ้นมาคือเติบโตขึ้นมาเป็นวินโยชนในทันทีทัในใดนี้ก็เรียกว่าความเกิดปรจะจตว่าความเกิดมันก็เป็นกระบวนการของธรรมชาติที่อาศัยกิเลสอาศัยกรรมแลวสร้างขึ้นเป็น ปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็สัยปัจจัยที่เป็นรูปธปรรมคือไข่กับสเปิร์มของพ่อแม่แล้วก็บุมบาปที่ตนเคยกระทำเอาไว้ตามแรงดันของกิเลสก็สานขึ้นเป็นปฏิสนธิวิญญาณท่านเรียกว่าเป็นขันธะโพคือไปถือปฏิสนธิในขันธ์ของมารดาก็กลายเป็น ชีวิตขึ้นมาตามลํานดับการชะลาความแก่ก็ทรงตั้งปัญหาแล้วก็รับสั่งตอบเองเหมือนกันว่าดวงกอนพิสูตตั้งหลายชะลาคือความแก่เป็นยังไงแล้วก็ทรงอธิบายว่าความแก่คือความค่คําค่้าความที่ฟันหลุดความที่ผมหงอกความที่นังเหี่ยวเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแกงม่งงอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆ ของสัตว์นั้นอันใดดูก่อพภิษูต่างหลายอันนี้ที่กล่าวว่าชราคือความแก่คําวอาอินทรีในที่นี้นั้นเน้นไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะเรียกว่าจะคุ้นสีโซตินซีคาณินซียยวินซีกะอินรีมะนินซีเนีน่ยเกินแปลผ่านไป จำนวนตาก็มีประสิทธิภาพน้อยลงหูก็มีประสิทธิภาพน้อยลงจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันแม้แต่ใจก็มีความเผลอเร่อความหลงลืมความเลอะเลือนความพร่าพร่านอยูต่ตลอดในความตายเนี่ยก็หมายถึงตายจริงๆอ่ะคือคนตายสัตว์ตายต้นไม้ตายอะไรอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความคิดแต่เป็นเรื่องของชีวิต การพูดถึงสังขารที่ผิดใจครองนะครับเป็นการพูดถึงสังขารที่ผิใจครอ ง, ร, ง, ง, ร, ร, องรับสั่งว่าดุขความพิสูจทั้งหลายมรณะความตายเป็นยังไงก็ส่งไขความอธิบายว่าการจุติก็คือตายนะความเคลื่อนไปก็คือเคลื่อนจากพบหนึ่งไปสู่พบหน่งความแตกทําลายของตัวชีวิตร่างกายความหายไปมิตะยูคือความตาย ความทำกาละความแตกแข่งขันความทิ้งซากศพไว้ความขาดไปแห่งชีวิตดินรีจากหมู่สัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆอันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่ามรณะคือความตายก็โตรงว่าความทุกข์ที่เป็นสภาวะเนี่ยมันก็มีเกิดแก่ตาย บางทีเราพูดคล่องจองไปว่าเกิดแก่เจ็บตายนะครับแต่ที่จริงแล้วเกิดแก่ตายเพราะความเจ็บนั้นมันเป็นเบื่องที่จรเข้ามาไม่เป็นการถาวรเจ็บมากเจ็บน้อยเจ็บนานเจ็บไม่นานแล้วความเจ็บก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นเอาอ ที่ทรงเรียกโดยสรุปในตอนสุดท้ายว่ากล่าวโดยสรุปจิตยึดมั่นถือมั่นในกันหน้าห้านั่นเด็กเป็นทุกข์เพราะมาพอมาถึงความโศกที่เราแปล ว, ว่าความแห้งใจเนี่ยเป็นยังไงทรงอธิบายว่าอุกทรพิษูทั้งหลายความโศกความเศร้าใจความแห้งใจความผาคณภายในความโศกนาภายในของสัตว์ผู้ประกอบด้วยความชี่พายอันใดอันหนึ่ง ถตาพูดที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องแล้วอันใดเล่ า, ารวลพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าโศก ค, คือความแห้งใจก็หมายความว่าเกิดจับใจไปกําหนดในอารมณ์ว่าน่าใคร่นะ่าปรานาน่าพอใจแล้วก็มีความรู้สึกปูกพันธ์ว่าสิ่งนั้นเป็นของเราก็ปรานาานิสิ่งนั้นดํารงอยู่คู่เราตลอดไปเมื่อสิ่งนั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย แล้วก็เกิดความเศร้าโศกปัญธบอกว่าและผู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องคือทุกประการพลาดพลาดสูญเสียจากคนจากสัตว์จากสิ่งอันเป็นที่รักมันก็กลายเป็นความโศกขึ้นมาแต่นี้โศกมากเข้าเนี่ยมันก็มีอาการพิริพิไรที่จริงเป็นอาการรีต่อเนื่อง ก, กันมาจากความโศก ทรงอธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริเทวะความร่ำรวร่าพันธ์เป็นอย่างไรดูก่อนพิกษุทั้งหลายความคร่ําครวนความร่ำรวร่าพันธ์กิริยาที่คร่ำครวญความที่ร่ำรวร่าพันธ์ความที่สัตว์คร่ำครวญความที่สัตว์ร่ำรวยร่ำพันธ์ของหมู่สัตว์ผู้ประกอบด้วยความสิบนายอันใดอันหนึ่งและพู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องก็เหมือนกันนะฮะหมายความว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดมาจากราคะจะเกิดมาจากโลภะ เป็นความรักใคร่ผูกพันแต่ว่าบางครัง้งบางคราวเราจะเห็นว่าเวลาคนที่เราไม่ชอบไปได้ดีมีลาบยศเฉินเฉินสุขเราก็รู้สึกไม่สบายเหมือนกันแต่มันอยู่ไม่นานนะฮะเพราะว่าเป็นกิเลสที่มันสืบเนื่องมาจากกิเลสประเภทโทสะซึ่งตามปกติแล้วก็จะหายได้เร็วกวากิเลสประเภทราคะประเภทโลภ กรับสั่งว่าต่อไปก็คือทุกข์ได้แก่ความไม่สบายกายคือทุกข์เนี่ยบางทีเนี่ยเราเรียกว่าทุกข์กระโ t h u m นัหมายความว่าถ้าทุกข์ที่มากระโ t บมันันั้นทุกข์หมายถึงทุกข์กายโ /thumb านัทหมายถึงทุกข์ใจในที่นี้ก็ลงแสดงไว้ทั้งสองแนวตั้งทุกข์กายและทุกข์ใจ แต่ว่าใจก็เป็นตัวเสวยนะฮะเป็นตัวเสวยแต่ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ร่างกายเพราะาร่างกายเองมันไม่รู้เรากมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยอะไรไม่ร่างกายของคนตายเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็ความทุกข์นั้นรงสแสดงว่าพิสูจน์ทั้งหลายทุกเป็นอย่างไรเล่า ลูกกรพิกษุทั้งหลายความทุกข์เกิดในภายในกายความไม่ดีเกิดในกายเวทนาไม่ดีเป็นทุกข์เกิดแต่สัมผัสทางกายอันใดเช่นเจรินหนาวจัดร้อนจัดเจ็บปวดเมื่อยขบไปตั้งตัวประการต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายอันนี้ก็ส่งกล่าวว่าเป็นทุกข์แล้วก็รับสั่งว่า ลูกรพิกษุทั้งหลายโทมนัสคือความเสียใจนี่เป็นอย่างไรลูกกรพิสูตตั้งหลายความทุกเกิดในใจความไม่ดีเกิดในใจเวทนาไม่ดีเป็นทุกเกิดแต่สัมผัสทางใจอันใดลูกกรพิสูตทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าเป็นโทมนัสคือความเสียใจยแล้วอุปายาธเป็นอาการของความคับแคลนคือทับถมความรู้สึกไม่สบายไว้มากๆ หาทางออกไแก้ตัวเองไม่ได้ก็กลายเป็นปรีชาคำว่าอุปยาดรู้สึกขับแค้นอึดอัดขัดข้องไปด้วยประการต่างๆก็ทงอธิบายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายความแค้นความคับแค้นความที่สัตว์แค้นความที่สัตว์คับแค้นของสัตว์ผู้ประกอบด้วยความจบหายอันใดอันหนึ่งและผู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องแล้วอันใด อันนี้เรากล่าวว่าเป็นอุปายาตคือความขับแค้งแต่การต่อไปนั้นมันค่อนข้างจะเป็นความรู้สึกมากไปหน่อยหมายความว่าเราไปกาหนดหมายอารมณ์มาเองเจอคนที่เราชอบเราก็สบายใจเจอคนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่สบายใจคนที่เราชอบพลาดพลาดจากไปเราก็เสียใจคนที่เราไม่ชอบยังอยู่ด้วยเราก็ไม่พอใจ สรุปว่ามันเป็นความคิดของเราเป็นส่วนใหญ่เป็นจิตที่ปรุงคิดคิดปรุงขึ้นคือถ้าทำเฉยเฉยจะได้มันก็ไม่ยมีปัญหาอะไรเพราะงั้นในที่นี้ท่านออก็ทรงอธิบายไว้ว่าดุก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความประสบสัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นท่รักเป็นทุกข์อย่างไรดุก่อนภิสูจนทั้งหลาย อารมณ์เราใดในโลกนี้ซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่รักใคร่ไม่เป็นที่ปลื้มใจคือรูปเสียงกลิ่นรสและอารมณ์ที่พึงถูกต้องโดยกายย่อมมีอยู่แก่ผู้นั้นอันเดินผู้คนเราใดที่ใคร่ต่อความฉิบหายใคร่ต่อสิ่งที่ไม่เกือ้อกูลใคร่ต่อความไม่สําราญและใคร่ต่อความไม่กเกษมจากเครื่องประกอบแก่ผู้นั้นพูดง่ายๆว่าคนที่ไม่หวังดีต่อเรานะฮะ แต่ว่าทรงไขอธิบายความให้มันกระชับระ ก, กุมเพื่อไม่ไปตีความบอกเองตามความพอใจแล้วก็ทรงอธิบายขยายไปเรื่อยๆวันในการที่ที่ไปเจอกับคนอย่างนั้นแล้วก็ต้องไปร่วมรงมาร่วมประชุมร่วมระคนกับด้วยคนสัตว์อารมณ์ที่เราไม่ชอบเนี่ยนี่ก็ชื่อว่า ความประสบกับสัตว์ได้สังขารซึ่งไม่เป็นทิรักก็เป็นทุกข์อันนี้ที่ท่านกล่าวไว้เป็นคํากลอนว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือได้ใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขสายใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถามใจตัวเองว่าเราต้องการความสุขหรือต้องการความทุกข์กันแน่ ประการต่อไปก็คือการต้องพลาดพลาดสูญเสียจากคนสัตว์สิ่งนะฮะน่าใค ร, นร่ น, น่าปราถนาน่าพอใจเกินเป็นที่รักเนี่ยคือเราตัวเราเข้าไปผนวกเข้ารู้สึกว่าเราพลาดพลาดเราสูญเสียเราไม่ได้เราไม่มีเราไม่เป็นแล้วเราก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่มีเราเข้าไปผนวกเนี่ยเราก็ไม่เป็นทุกข์อะไรหรอกเพราะว่าการ พ, พลาดพลาดสูญเสียมีเยอะไปทุกวันนะมีอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเลยซ้ำแต แต่ว่าเป็นใครเป็นคนพลาภาคสูญเสียในขณะนั้นนั้นท่านั้นเองเมื่อเราไม่รู้สึกว่าเราเข้าไปพนวกอยู่เนี่ยก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่บางครั้งบางคราวเนี่ยแม้แต่เป็นเรื่องที่เป็นการพลราดพลาดสูญเสียแต่ว่าจิตใจเราปรุงตกได้เช่นสมมติว่าญาติผู้ใหญ่อายุอยู่กันมาตั้งแต่เก้าสิบแล้วแก่จราทุกทรมานอยู่บนเตียงอยู่หลายปีเนี่ย คือเมื่อท่านตายจากไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าก็เป็นความดีสำหรับท่านแต่ในพทุกพร้อนไปทักทีหนึ่งเพราะว่าคนที่เชื่อในเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏมันการตายมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตายของคนดีคนดีตายท่านก็ไปดีนะฮะก็ดีกว่าทุกทรมานอยู่ในโลกมนุษย์เพียงแต่ว่า ท่านไม่ทําอันตรายต่อชีวิตของท่านเองเท่านั้นเพราะเราก็รู้สึกโปงตกได้ทั้งๆที่เราเป็นคนเรารักเขาท่านเรารักท่านเราเคารพท่านเรานับถือท่านปู่ย่าตายายาติผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยถึงจุดหนึ่งถ้าหากว่าเราเห็นท่านทุกทรมานและว่ากการตายก็เป็นการดีกว่าเป็นการการอยู่แต่เราก็ไม่ถึงกับอยากให้ท่านตายแต่เพียงแต่ว่าท่านตายก็ไม่เสียใจอะไรมันเข้าถึงกติธรรมดา พี่ก็บอกว่าเอวังธมโมเอวังภาวีเอวังนัติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ลวงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เพราะคนเหล่าเนี้ยที่ท่านบอกว่าอารมณ์ลูกกรพิสูจน์ต่างหลายอารมณ์เหล่าใดในโลกนี้ซึ่งเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่ปลื้มใจคือรูปเสียงกลิ่นรสแดารมณ์ที่พึงถูกต้องด้วยกายย่อมมีแก่ผู้นั้น อนหนึ่งริชนเหล่าใดที่ใคร่ต่อความเจริญใคร่ต่อประโยชน์เพื่อกูลใคร่ต่อความสําราญและใคร่ต่อความกเสด็จากเครื่องประกอบแก่ผู้นั้นคือมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอ ม, มาตญาติสาโลหิตทั้งหลายเนี่ยการไม่ได้ไปร่วมการไม่ได้มาร่วมการไม่ได้ไประชุมร่วมการไม่รักคนกับด้วยอารมณ์และสัตว์เหล่านั้นอันใด ดุก่อิสูจทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าความพระรากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์เพรัสัตว์เป็นที่รักเป็นที่ชังเนี่ยเป็นเรื่องมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เป็นเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องความคิดเฉยๆเราลองสังเกตว่าคนบางคนที่เราเคยรู้สึกเป็นศัตรูมันก็กลับเป็นมิตรกันได้คนที่เรารู้สึกเป็นมิตรก็กลับเป็นศัตรูกันได้ บางครั้งบางคราวผัวเมียก็ทะเลาะกันฆ่ากันได้เมื่ก่อ่านข่าวของฝรั่งกับของจีนนะฟังแล้วนะ่ากลัวเมียฆ่าผัวตัดหัวแล้วก็ชำแหละเนื้อเอาไปกินนะเอาไปกินเป็นอาหารโอ้เวน่าสลดสยดสยองเลยก็คนจีนนั้นถูกจับสารยังไม่ตัดสินแต่ว่าฝรั่งนั้นสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไปแล้ว ก็ไปอยู่ในคุกก็น่ากลัวนะฮะนั่นคือแสดงให้เห็นว่าเมื่อก่อนเขาก็อยู่ครองคู่เป็นสามีภรรยา ก, กัน แ, แสดงว่ามีความรักใคร่ต่อกันก็เป็นอารมณ์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายยามรักไปอย่างหนึ่งยามช่างก็อย่างหนึ่งเพราะดามรักมันก็ขาดไม่ได้ยามยามช่างมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วก็จนถึงออกมาแรงจนถึงก็ฆ่าทํำลายร่างกันแต่ขนาดฆ่าเอาเนื้อไปทอดกินเนี่ยมันน่ากลัวนะะ แสดงว่าจิตใจแกคงจะผิดปกติออกมากมากแต่นั้นก็คือสอนสอนให้เราเห็นว่าจริงๆมันเป็นลีลาอารมณ์เราไปตั้งใจไปผูกพันไปยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้แล้วก็ตเราผูกพันด้วยความรู้สึกที่ดีพอเปลี่ยนแปลงไปเราก็เศร้าโศกเสียใจเรารู้สึกผูกพันในทางที่ไม่ดีพอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเราก็สบายใจ เอาเอาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเองรัชสั่งว่าดุก่อนภิกษุตั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าความพรัดพลากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ดุก่อนภิกษุตั้งหลายสัตว์ปรารถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้แม้ของที่ไม่สมประสงค์นั้นก็เป็นทุกข์อย่างไรเล่าดุก่อนภิกษุตั้งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความเกิดเป็นธรรมดาเถิดขอความเกิดอย่ามีมาถึงเราเลยหรือว่าสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาโดยแท้แม่คนนี้ก็ชื่อว่าเป็นยำไปชังนรปฏิตำปิดทุกขงังคือสัตว์ปรารถนาสิ่งใดแล้วย่อมไม่ได้สิ่งนั้นสมประสงค์ก็เป็นทุกข์ ดุก่อนพิสูน์ต่งหลายความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เราสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้คือขออย่าให้แก่ขออย่าให้เจ็บนะขออย่าให้ตายก็เอ า, เ อ, าเอานิยายไม่ค่อยได้นะนะคือขอแม่เกิดบ้างขอแม่แก่บ้างขอแม่เจ็บบ้างขอแม่พลาดสูญเสียบ้างก็แสดงว่าเป็นลีลาอารมณ์ที่ไม่ยอมเผชิญหน้ากับความจริง แต่ว่าความต้องการเหล่านี้ที่จริงก็อยู่ในคนละคนกันนะนะบางทีก็อาจจะอยู่ในคนเดียวแต่มันคบกันเองนะเช่นเราต้องการไม่เกิดเนี่ยถ้าไม่เกิดมัน ก, ก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าคนส่วนหนึ่งยังชอบความเกิดแต่ก็ไม่ชอบแก่เจ็บตายแต่นี่ก็มีอยู่มากนะฮะคือชอบเกิดแต่ไม่ชอบแก่ชอบเจ็บชอบตายแต่ในขณะเดียวกันก็ชอบแก่ ในขณะที่กำลังเจริดิวัยเนี่ยก็ชอบไปโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วๆแต่พอเลยกลางคนไปแล้วก็ไม่ชอบที่จะต้องแก่นั้นทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเรื่องของลีลาอารมณ์ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแล้วก็สรุปแล้วก็คือเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวแต่ว่าธรรมดาของสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็มักจะเป็นก็ค่ออย่างนั้น คือเป็นความสับสนแล้วก็ปรารถนาสารพาัดแต่ว่าเหตุกับผลนี่มันขัดแย้งกันเหนต้องการให้ทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นแก่ญาติพี่น้องของเราในทางที่ชอบแต่ว่าในชีวิตประจำวันนั้นประกอบทุจริตต่างๆทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ทางใจแล้วมันจะเกิดขึ้นมาในทางที่ชอบได้ยังไงนเมื่อเราไม่ได้ครองชีวิตในทางที่ชอบ นี่ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะแต่จากบไปที่เรายังมีโมหะมีอวิชชาปิดบังปัญญาจากสุเอาไปจาบนั้นเราก็คงเป็นอย่างนี้แหละไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นอกจากว่าต้องบันเทากิเลสและลดน้อยถอยลงไปต้องฝพ่งแต่ไร แต่รลงพระพุทธญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงดงามไพศูลในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี